แววเสียงสวรรค์เล่มสี่โดยพรรัตนสุวรรณสิงอ่านโดยโจโฉคำนำแววเสียงสวรรค์ในเล่มนี้เนเรื่องเกือบทั้งหมด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 คือเทศนาเรื่องคถาชินบัญชรซึ่งหลวงพ่อสมเด็จได้มาบอกโดยวิธีการเข้าทรงเช่นเดียวกันเมื่อวันมาคะบูชาพุทธศักราช2505แต่เรื่องนี้ได้ยากทำออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหากคือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคสองเพราะฉะนั้นถ้าจะรวมทั้งหมดแล้วก็มีถึง8กันเฉพาะนนในเล่มนี้ได้รวบรวมมาพิมพ์ไว้ทั้งหมด7กัน